ท่านท่านายไม่นีก็บพอไม่อก อ, อกฝาออกพ่อโยมมาหนีโอ้ยกระเพาะเปิดเบาดีก็แลหลวงพ่อนีนนดออได้เนี่เพิ่นมีความหนูนำ้ำเพิ่นบอกก็บอกมวนหลวงพ่อนันตาสีตาสาออกจากป้ายแก่มาถึงมากบามาเที่ ย, ย, ยังนี่ก็อโอ้ยกชงวานั่นะทั้งถุกทั้งยากก็สวเดียมาบยฟั่งนี่กัอโอ้ย ล, ลม ก็มุขแต่รู้คูข้ามไปตามเลี้ยงตามเล่าเขาตัวได้ธรรมะฝึกก็ฝึกยากล้วหลายมูอเขาได้เบิดเขาใจธรรมะทำมือบดิดลองพอนี่นเราไดบอดอ่บได้น้ำโมโดนอายุที่ผ่าเรียนยังค่อยได้ได้จากรูปจากนําเด้อโอยบพนั่นพอได้เขาใจแล้วเราได้ยุบเป็นเพื่นก็ฝ่ายถึกนําไม่ไม่ออกพอ พอดีละเลาะเลาะเลาะาะอยู่เนรมือเบสคัมจากเทศหลายจากไปบอกธรรมะธรรมให้คนฟังเออมันเป็นท่านโอ้ยเจ้าของเป็นบาพราะจาเจ้าของเป็นบาเนี่ิปัตตนขึ้นรนเทศรถเมฆเลยต่างแ่บานต่งแ่กรุงเทพไปหาบนขึ้นรถไดแล้วออกจากบ้านกลับมากรุงเทพหอนเทศเทศมาอีกเบส บัด<ท>วงแล้ีย่ยวจักสิยองไปขี่รถวันนี้ยังคอจะบัตึกยังยันคนพอมาจากอายคนหลายักจุของเป็นพิปัตนอยากเทศคนฟังย่อมขรถขึ้นแล้วมิาพิบาเ ท, ทองนั้นน่ะเทศเทศทึงไปทั้งมากติวายสันหล้งคนนะรวังใหดีพวกได้เที่ปฏิบัตนิน่ะให้เราเล่าอีกนะผู้เนโมุจักเล่าขมี ว่ากลับขึ้นไปกอน <c oughs> ไ้ว่ายุคจันไรว่ายุคโล่งเทียบงแดนยากจะเป็นตานั่นเ้าในได้กธรรมะใหม่ๆเนี่ยมันมันขั้นคือพันใกลตีเราไปออกพันพันใกลตีนี่เฝ้าจะวาออกเบาอกอกกับใครสัานแล้ว กินยเย็นแหวนนี่ยเจนใจก็ดองแดงดองแดงดองแดงแมันตีกันมันหัดอันเท่านี้พระธรรมมาดีกับขึือกันพระอุจวาได้รูปไปน้ำแล้วเนี่ยโอ้ยมันอยากเทิดไรเออเทศออกเกิืเป้งออกบดหวลแล้วมีตัวไอ้คนเอาขนออกบดจักถือคือผิดไรับรู้ว่าจะได้วอกแปเพื่อ แต่มันเป็นแต่อดอดไว้ให้ดีเย่าตัวไปเย็บเป็นแต่บาๆเพิ่นฟังงมะด่ายดอกนกข้นวุ้นนกขนมะด่ายบุ้กเขยยังดีให่ยิ่งยังเจาะเพิ่นก็ฟังล่ะให้เป็นได้บังพอนี่ว่มีผู้ใดมาบอกเาไดดอกว่าเพิ่นมาเป็นเพิ่นเป็นบ้าเพ่นน่ะว่าต้พอนี่ล่ะพอว่ามันเท่าแล้วเท่าแล้วอัน้พิดกติบผเพิ่นฟังอันได้ถือกเพิ่นฟั่ง มันเป็นสันมันเป็นเอกอายเอกอายเพิ่นบอสันทูดีหรอกอันพิษอันถือกู้เบ้าเขาบ้าไปทำภาษีภาษาไปเทศเมื่อนี้ก็จะเทศให้คนมาใหม่ฟังแต่คนเก่านั่นไม่อยากเทศให้ฟังหรอก อฟังน่ะล่ะฟังน่ะล่ะแต่ว่าอัดไว้ใครไม่อยากฟังน่ะเป็นมันมันมันจะเป็นมันจะเป็นอย่าง้นแต่วันนี้ก็มันมันมีก็ตรวจมันที่ได้ประเทศนี่โอ้ยหลงเขาป้าเขาเมี่ยงยุทธวิถแสดงให้ให้พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยอยาอยากได้ไม่มีอะไรหรอก ออตั้งแต่อารมณ์รูปนามตลอดถึงอารมณ์ปรมัตปฏิบัติอย่างเดียวกันออคือมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการรับรู้คนหนึ่งเคลื่อนไหวคนหนึ่งรู้ก็เรียกว่า ร, ร, ร, ร, รูปรูปรูปธรรมนามธรรมออนั่นแหละให้อยู่กับกายเคลื่อนไหวตลอดเวลา อย่าทิ้งความรู้สึกตัวรู้สึกนี่แหละตัวสติตัวปัญญาของเรามันทาไมยึงไม่รู้ธรรมะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษามันก็เลยไม่ได้รู้บันนี้เรามากลับค้นมาเรียนรู้เรื่องชีวิตจิตใจของเรามันก็เลยเกิดให้เราเห็นทำความรู้สึกไปทำความรู้สึกไปน่ะมันจะเกิดมีคาพูดมันมีคาตอบ อยู่ในตัวของมันเองสิ่งที่มันเกิดให้เราเห็นเราก็เห็นเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เข้าใจถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติไปเรียนมาพูดมาเห็นน่นมันไม่เห็นตัวมันไม่เห็นตัวธรรมะมันเห็นแต่ตัวหนังสือเพราะธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคําพูดเป็นตัวอ เป็นตัวธรรมนั้นคืออาการทิ่งที่มันเกิดกับจิตกับใจกับกายของเราทําให้เราทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นหมดเลยความเจ็บความปวดความเหนื่อยความล้าคว า, ความเจิงความเบื่อสารพัดตั้งแต่มันจะเกิดขึ้นมานความรักความชังความท่องเที่ยวในวัฏจัก ร, ตรสารทําให้เราสุขบ้างทําให้เราทุกข์บ้างมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นบางคนก็เต้ต้องร้องให้ไปก็มี มันก็หัวเราะไปก็มีเอาตั้งแต่มันจะพาเราเป็นคือให้เราดูเอาเรามานี่เรามาทําเนี่ยคือมาอาศัยกายกับใจให้กายกับใจเป็นคนทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้ตัวตัวส ต, ต, ต, ติปัญญาของเราเนี่ยมันไม่ค่จะค่อยค่อยเป็นค่อยไปไม่ค่อยจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็น ต, ตัวทุกข์ ทางกายมันก็เกิดมาเลยเราเห็นเกิดทางทุกข์ทางใจมันก็เกิดมาเราเห็นเราไม่มีติ่งอื่นไม่มีหรอกถ้ า, า <ๆ S 2> มันทุกขคิดออกไปทางนอกมันเป็นไปทางนอกนั่นมันมันผิดทางไปแล้วอยากได้นั้นอยากได้นี่อยากคิดเห็นนั้นนี่คิดเห่นนี่หือเห็นผีเห็นช้งเห็นเทวดาคือเห็นกันแล้วแต่อันนั้นเป็นเบรนมันทางที่ผิดเราก็ให้มากับดูกายมันเคลื่อนไหวใจมันรับรู้ เนี่ยมันเป็นให้มันสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นให้มันเป็นครูของเราให้เราหาวิธีแก้ไขนั่นแหละเขาสอนเราทุกมันก็สอนเราให้รู้จักทุกงาสุขมันก็สอนเราให้รู้จักสุขเนี่ยให้รู้จั ก, จกคัดเลือกเลือกคัดจะดหาเอามาถลุงให้มันสิ่งที่โชกโภครชกโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้มันออกนี้ไป ให้มีเลืออยู่แต่ของที่ดีๆที่มีค่ามีราคาอยู่ที่ในใจอยู่ในตัวของเราเนี่ยอยู่ในจิตในใจของเรานี่ยากคนจะเห็นยากคนจะพบคนไหนไม่มาปฏิบัติก็ไม่ไม่เห็นคนมาไหนไม่มาทำก็ไม่รู้เอีเนี่ยมาเรี่ยมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเองไม่ใช่ไปเรียนรูก้กับหนังสือเอามาอ่านอันนั้นมันเป็นคำพูด คำพูดเฉยๆแต่มันรู้จักไม่รู้จักตัวธรรมะเนีแล้วเรามาทําอาศัยกายกับใจเราก็ให้มันอาการกายกับใจนั้นนหะมันจะแสดงอาการออกมาเขาเรียกว่าสัญชาตญาณที่มันมีหมักดองอยู่ในกิจตสันดานของเราทําให้เราหลงไหลหลงรักบ้างหลงชังบ้างอยากได้นั้นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากได้เดบได้ดี หรืออยากเป็นผู้มีเงินมีทองล่ำรวยเป็นเศรษฐีสารพัดัุกอย่างมันจะปรุงแจงไปนั่นแหละทำบันไดไว้ที่ไหนมันก็ไปห่วงไปหวงไปหมดมีอะไรก็ไม่ลดไม่ปล่อยไม่ล ะ, ไ ม, ละไม่วางเป็นก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเพราะฉะนั้นให้เราพยายามมาเรียนให้มันรู้ตั้งอกตั้งใจทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่กับเราทุกคน แต่เราไม่ได้ดูมันไม่ได้ฝึกมันมันก็เลยไม่แสดงอาการมาให้เราเห็นมีแต่ตัวจิตเรศเป็นหัวหน้าทําให้เราหลงไหลเพ้อฝันไปกลับมันไปเรื่อยๆไปไม่รู้จกักจบไม่รู้จักสิน้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งบาปทั้งบุญทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสนุก ส, สนุกเฮฮาเพื่อฝันลำพันไปเรื่อยๆไ ป, ไปกลับมันไปเรื่อยๆไป จนไม่มีที่สิ้นสุดในโลกวันนี้เป็นโลกที่มีมีตะเน่เล่คนเป็นโลกที่เป็นยาเสพติดทําอะไรไว้มีอะไรไว้ก็ไปติดหมดทุกอย่างอแล้วเกิดขึ้นมานี่ก็อยู่ก็เกิดมาเพื่อที่หวังให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขก็ ห, หาวิ่งหาความสุขหมดทุกคนนั่นแหละ แต่มันไม่รู้จักความสุขทุกตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อคิดว่าทุกตั้งแต่ก่อนไม่รู้จักว่าทุกทางทางไตรักนี่ก็ไม่รู้จักทุกทางอริยสัจก็ไม่รู้จักมีคิดว่าตั้งแต่ทุกเนี่ยไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเข้าไม่มีของไม่มีอะไรที่จะอาจะกินอดอยากมาแค้นนึกว่าเป็นแบบนั้น แต่ที่จริงแล้วอันนั้นมันอยู่กับคนที่เกียจที่ค้านคนที่ไม่เอาใจใส่ในงานในการหรือคับเรื่องไม่รู้จักทางที่จะเลี้ยงชีวิตเจ้าของก็เอาตัวใจ ก, กิเลสมาบังทําให้เราเกียจเราค้านไปทําการทำงานก็บ่นว่าร้อนนักหนาวนักเหนื่อยนักหิวนักแล้วก็ไม่ทําการไม่ทํางานแล้วก็ทําให้เรา ไม่มีอยู่ไม่มีกินอดอยากมาแค้นจะกินจะทันดำบุญเล็กๆน้อยก็ไม่มีเงินที่จะทำล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มันทำไมยังทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราขี้เกียจที่ข้านไม่อยากทำเกียติไม่อยากทำการทำงานอะไรก็อดอยากอะไรก็อดอยากหาจะเลี้ยงในครอบครวัวก็วิตวิตขวาน่าวิตหน้าขวาลังวิตหลัง มันจะเป็นอยู่นั้นเราก็ทำให้เราทุกข์เราจนทำให้เราทุกข์องทุกข์อ่อามันจะหลัง่งจะไหลมาทับถมเราเรื่อยๆไปนี่เนี่ยให้เราเข้าใจอย่าไปเกลนคนที่เกียจกี้ข้านคนที่มีบุญวาทนาบา ร, รมีเนี่ยเขาจะเป็นคนขยันขันแข็งเขาใจใส่ในหน้าที่ในการในงานของเขาเนี่ยเราก็ทุกๆุกคนเนี่ยอย่าเป็นคนที่เกียจอย่าเห็นคนแก่ปากแก่ท้องเออพอ ให้มีคันติความอดทนทำอะไรก็มีกำลังบังชาแข็งแรงน้ำใจเข้มแข็งต่ออุปสรรคสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมมานี่แหละอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราฝ่าฟันมันไปเรื่อยๆไปไม่ต้องกลัวมันต้องเกินกใจค้นใจเพชรเป็นคนอ่อนแอมาได้เป็นลูกศิษย์ของตราคตต้องเข้มแข็งอะไรเกิดก็ให้มันเกิด อ, อะไรดับจะดับให้มันดับ เ, เร า, ก, ก, ารเก็ดูอาการเกิดอาการดับนั่นแหละมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปบังคับมันไม่ได้ะจะไปอยากมันเป็นอย่างนั้นอยากมันเป็นนี่ก็ไม่ได้มันก็เป็นของมันเองเอมันเห็นทุกคนนั่นหละเราเดินโยกรมไปเนี่ยมันจะปุ่งแต่งเรื่องนั้นปุ้งแต่งเรื่องนี้เรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคต บ, บ้างมันมาเข้าสิงอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเราก็ให้ดูเอา นั่นแหละสัญชาตยานของเรามันเกิดมีกับเรานี่แหละแต่ก่อนมันเกิดขึ้นมาเท่าไหร่เราก็เลยเป็นผู้เป็นไปนหมดเออถ้าดอนนี้เรามาฝึกแล้วมันเกิดขึ้นมาเราจะเป็นผู้รู้เฉยๆมาหัดใหม่วันนี้ไปถือเนละลดล ะ, ล ะ, ละมณฑิฐิความถือเนื้อถือตัวไม่ให้มันมีตัวไม่ไม่ให้มีตนไม่ต้องพยึดยึดมั่นถือมันสิน่งที่มัน เป็นอยู่ทุกวันนี้นะเพราะว่าเราไปยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งที่เรามีเราเป็นมันจะเป็นอยู่นั้นเมื่อก็เลยเกิดมีตัวมีตนเกิดขึ้นแต่ที่จริงแนละ้วมันไม่มีอะไรตัวตอนอะไรก็ไม่มีแต่ว่าเรามายกป้อปั้นขึ้นให้มันเป็นเนะี่ยคือความหึงความหวงความขี้เหนียวเรานี่แหละมันมีตัวมีตน ม, ม, มันอัตติคความถือตอนถือตัว มันลดมันละม่ได้มันก็เลยมีมณะจิตใจของเราเนี่ยมีความโกรธความโลภความหลงมาห่อหุ้มจิตใจของเราไว้เออจิตใจของเราก็ทุกข์ไปอยู่ตลอดเวลานั่นแหละให้เราพยายามมาศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของเรามันทุกข์กายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเออมันมันต้องมีรอดมันมีหนาวมันมีเจ็บมันมีปวดมันมีเหนื่อยมีามีหิวเออมันก็ธรรมดา มันต้องเกิดมามันต้องหากินเนี่ยน่ะธรรมะคือการคืองานธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือความพอดีนี่เราทาความพอดีเราเรามาพืติปฏิบัตินี้ก็ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในความพอดีเดินก็ให้เดินพอดีพอกลางๆจะยกมือก็ทำความพอดีเดินให้เป็นกลางๆวางใจให้เป็นกลางๆ ไม่ให้มันเดินเวลาเดินก็ไม่เห็มันเร็วนักไม่ให้มันเร็วไม่ให้ไม่ให้มันช้านักไม่แล้วก็ไม่ให้มันจะไปจ้องไปก่อมันจะไปเพ่งมันปล่อยไปตามตาสบายสบายหายใจโล่งๆลึกๆดูการเคลื่อนไหวพอเท้าตกพื้นนี่ให้รู้จักให้รู้จักให้รู้รูปรู่นาม ให้ร <poisoned. S 2> ู are, ้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริงให้รู้รูปธรรมนามธรรมให้รู้โรครู้รูปโรคนามโรครูปโรคเป็นยังไงนามโรคเป็นยังไงรูปธรรมเป็นยังไงนามธรรมเป็นยังไงให้เราเข้าใจในสิ่งนี้ไม่ต้องไปอื่นๆเนี่ยกายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้คนหนึ่งเป็นคนเคลื่อนไหวคนหนึ่งเป็นรับรู้ตัวเห็นเป็นรูปตัวรูปเป็นนามให้เราหาเอา สิ่งไหนเป็นรูปทูงสิ่งไหนเป็นนามให้เราหาเอามันอยู่กับคนเราทุกๆคนเห็นแล้วก็มันจะได้ช่วยเหลือพวกเราเราก็จะมีที่พึ่งที่อาศัยมีบ้านมีเรือนอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีบ้านมีเรือนดอกทำเรือนหอ ล, อนลังให ญ, ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อยู่มีแต่ไปท่องเที่ยวอยู่ตามวัุนสรรมสาราฝันเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องอดีตบ้างถ้านอนลงไปนํากลางวันก็มานั่งคิดนอนคิด คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้สารพัดตั้งแต่มันจะพาไปแต่เราไม่รู้จักเราก็ไปตามมันเป็นผู้เป็นนั่นแหละทุกมันเกิดอย่างนี้ป่านนี้เราจะมาหาฝึกให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองสั่งสอนตัวเองให้อ่านตัวออกบอกตัวถูกให้มันรู้จักภาษาของกายให้รู้จักภาษาของใจเราก็จะได้แกแค่ปัญหาตัวเองได้จะได้ไม่ทุกข์กับมันมันเป็นเรื่องธรรมดา ห้ามไม่ให้ทุกข์ห้า ม, มให้มันเป็นมันก็เป็นห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอยู่นั่นเองคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมดาจะห้ามไมา่ได้เนะี่ยมันเกิดทิด้งไหนไม่เกิดก็ให้มันเกิดไปแต่ว่าเราอย่าจะเข้าไปเป็นอย่าไปตกอกตกใจมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่อยญ่ใหญ่อย่ากกลัวกลัวทางตายเนี่ ย, ย, กกย že, ไม่ต้องกลัวเนะีถ้าใดอยู่ในเป็นมนุษย์อยู่แข็งแรงอยู่เนี่ย ก็หาลบเีลือกออกความความความตายเนี่ยไม่ไม่มันจะตายก็ท่างมันเจ็บป่วยก็ท่างมันไม่อไม่ต้องกลัวถ้ายังไม่กลัวนี่ก็มีเรื่องเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องมีปัญญาลบนีออกเนี่ยเหมาะห้ามไม่อะไรไม่จะเกิดไม่ก็เกิดไม่อยากให้มันเกิดหรอกแต่มันเกิดเองอย่างที่อุบัติเหตุหรืออะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เรไม่นึกไป่ฝันมอนจะเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็จําเป็น มันก็ต้องไปตามตามเวียนตามกรรมของเรามีกรรมเราก็ต้องสู้ไปรักษาหายแล้วก็แล้วไปมันตายแล้วก็แล้วไปเท่านั้นแหละมันก็หนีไม่พ้อนออกเกิดแกมีเกิดแล้วก็ต้องมีแกพี่แกแล้วก็ไม่เจ็บมีเจ็บแล้วก็ต้องมีตายมันเป็นเรื่องธรรมดาหนีไม่พ้นทุกคนก็ต้องตายหมดทุกคนไม่ใด้ตา ย, ตายแต่เป็นแต่ละคนเดียวเนี่ย แต่ให้มีสติไปที่ไหนที่ไหนน่นก็ให้มีสติให้ระวังการไปการมาเหลียวหน้าเลี้ยวหลังมองหน้ามองหลังไปอย่าให้อะไรมาแพร่ผ่านเราให้มันได้ดับทุกข์ถ้าเรามีสติแล้วสตติเรานั่นแหละเป็นคนช่วยเหลยอเรา <S <S อเวลาเรามันจะเกิดอะไรจําเป็นที่มันจะมาเตียนเราเหมือนกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้องเรานี่ มีแน่นอนถ้าเราประบัติดีแล้วอะไรเกีิดเนี่ยมันต้องมีมีสิ่งที่มาทำให้เรารู้จักและให้เราระวังเนื้อระวังตัวไว้บางทีก็ฝันก็มีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่อยๆทำไปถ้าเราอยู่ในสินกินในทำเนี่ยมันบอ่อคไม่มันมันจะคาเท่ยวถท่งทั้งหมดเลยทั้งอันทิ่เนี้ที่เป็นจิจะมาจะอัตภาณอว มันจะค่อยดีเองมันจะมีคนมาช่วยอยู่ในเนื้อนในตวัวของเราเนี้แหละอย่างท่มีเพื่อนพึกสูตรด้วยกันเนี่ยแหละไปด้วยกันมีลูกหลวงปู่หลวงปู่เชียนเขาเนี่ยมีมีปู่ลูกใบเดียวรถปิ้นตั้งสองสามปิน้นรถทาหายอั น, อนใช้มาได้เลยไปแต่งมาได้เน่าหมดเลยคนไม่เก็บ ถืออยู่เท่า้ะนีแหละอันรูปนันนันอ่ะไปใส่เอาติดถงไปพอมเลยเนี่ยดีดีที่สุดเลยเนี่ยคุณคุณศิลคุณทำไมปปกป้องรักษาไว้พอโทษถึงตายก็ไม่ตายอย่างนุกงปู่ไปทูนเนี่ยก็เหมือนกันรถไปตามมาถากถากินถากหน้ารอ ท, ทางทางทางหน้ารากำลังจะข้ามถนนไป ตองตอนเขาออกปิวขึ้นไปเลยพิมขึ้นไปถึงดงบนรถเขาความบนรถเขาไปโดนนะคนไม่เจ็บหลวงปู่ไม่ไม่เจ็บเลยพรถรถเขาก็เห็นคนไม่เจ็บเขาที่ไปตะเลตะเลยไปเขาก็เลยไม่ไม่ดูแลอีกแต่ไม่เจ็บเนี่ยมันมันมันมันจะจะรักษาได้จริงๆถ้าถ้าเราถือจริงๆอะ เราอย่าไปจริงหลวงปู่รูปหลวงปู่นี้ควรจะถ่ายแล้วเอาไปไว้บ้านไว้เดือนของเราว่าจะกราบถวายจะได้อานิสง์มากเนี่ยจะได้ปกปักรักษาให้เราได้รับความอยู่เย็นเป็นถุกเป็นของที่ดีเป็นของที่ประเสริฐแท้ๆหลวงพ่อเห็นล้วเนี่ยให้เราทดลองดูว่าไม่เชื่อ แต่จะไปซ่องเถอะเห็นว่าหลองพอ่อบอดีกนเอาแขนคอแล้วก็ตนกระโดดลงบ้านตรงหลังนุงสูงไม่ได้ตายจะได้อย่างนั้นน่ะ้องพ่อก็ต้องออกจากรูปนั่นแหละไปก่อนแล้วถ้าตโดนกระโดดลงอะท่านไม่อยู่ด้วยหรอก ค่อยๆทําไปอยากได้นะทําเล่นๆการปฏิบัติธรรมาเนี่ยให้ทําใจเย็นๆเป็นกลางๆอะไรเกิดก็ให้ดูให้สังเกตตัวเองความคิดเวลาเดินเนี่ยมันจะออกหนีไปเลื่ยนอะไรใหม่ๆอย่างเนี้ยเราให้ทําความรู้สึกนี้ให้มันติดต่อเป็นลูกโซ่ไปเอาจิตไว้กับการเคลื่อนไหวนั่นแหละให้มันรู้ให้มันรู้ให้มันรู้ไป อะไรเกิดก็เจ็บปวดก็เห็นมันเห็นมันแล้วเราก็ไม่ต้องไปเป็นกับมันแล้วก็มาอยู่กับตัวรู้สึกนี่แหละเอาตัวรู้สึกนี้แหละไม่เอาไม่เป็นอะไรมันจะสิ่งที่มันเป็นันมันสิ่งที่มันจะเกิดมันมันรอเราอยู่ข้างหน้านั่นแหละเราค่อยก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวนั่นน่ะไม่ก้าวหนึ่งมันก็ก้าวหนึ่งถ้าเดินไปถึงที่ไหนมันก็เห็นที่นั่นแหละเราจะค่อยค่อยค่อยค่อยไปเหมือนเราเดินทางการบิบัติธรรมเนี่ย เราจะไปเคียงคัดก็ไม่ได้ถ้าผิดนิดเดียวก็ไม่ได้ต้องค่อยๆใจเย็นๆไปให้มันค่อยเก้าวๆไปมันรู้จักทีละก้าวเทละก้าวไปไม่ต้องไปเดือดร้อนอย่าไปเชี่ยวเข็นมันเชี่ยวเข็นแบบอยากได้นะ่ะอยากอย่าไปทําแบบนั้นมันไม่ได้อยากเห็นมันจะไม่เห็นอยากรู้มันจะไม่รู้ถ้าเราไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นทําไปเรื่อยๆไปติดต่อบรรุรองไปเนะี่ยมันจะค่อยเข้าใจ ความสบายมันก็จะเกิดถ้าเราเห็นอะไรอะไรมันจะเกิดมันจะเราเห็นชัดเข้าชัดเข้าเดินไปดีมันก็จะเห็นตัวรู้สึกนั่นแหละชัดเข้าชัดเข้าเนะี่ยมันตัวนี้คันตาเห็นตัวรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่มันจะจิตใจเราเนี่ยจะมันจะเบาบอปอดโปรง่งโล่งสบายเพลิดเพลินในการปฏิพฤติปฏิบัติแล้วมันก็จะมีสิ่งด้สิ่งหนึ่งมากดปรากฏให้เราเข้าใจ ในถิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นสมมติว่ามันขี้เกียจขี้ข้านมันจะหนีไปที่นั่นไปที่นี่อย่างนี้ตัวปัญญาเน่มันจะรู้จักถามตัวเองว่าเดี๋ยวนี้มาอะไรมึงจะหนีไปไหนเผมมาพามานี่มาปฏิบัติธรรมนะไม่ให้ออกไปไหนให้อยู่นี่ทาอยู่นี่ นี่มันมีสติปัญญาขึ้นมันก็ยังมาถามมันก็ยะมาตอบกันถามกันตอบกันอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันก็เถียงกันนั่นแหละเออทาไปทาไปเออมันก็ค่อยชำนิชำนาญเข้ามันก็รู้จักภาษากันเข้ามันก็จะมาถามมันมีคำตอบมันมีคำถามเนี่ยมันจะสนุกเหมือนเราดูริเกลละครนั่นแหละปเดี๋ยวตัวนั่นออกมาตัวปนั่นเดี๋ยวตัว จนออกมาปรเดี๋ยวพระเอกออกมาเออพอหนึ่งคนหนึ่งเข้าไปคนนั้นออกมามันจะมีความตลกอยู่ในแมันสนุกมากบางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็ถูกเออบางทีมันก็โกรธบางทีมันก็เพลิดเพลินไปดูไปความม่วงเงาหานอนมันก็ค่อยละออกละออกมันก็เบาบางออกไป นั่นแหละมันจะมันมันเป็นแบบนั้นแหละเบอรดูให้มันเป็นถ้ามันดูเป็นแล้วมันจะสนุกดีนอ่ค่อยๆทาไปเราอย่าไปเรี่ยงไปรัดมันทําใจเย็นๆอะไรเกิดก็ตามดูก็ตามไม่รู้ก็ตามให้เห็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยให้ดูจิตดูใจของเรานั่นแหละบางทีมันก็ร้ายบางทีมันก็ดีการปฏิบัติธรรมนเนี่ย เหมือนอารมณ์เราวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นแหละเราปฏิบัติไปงไงตั้งแต่เช้านี้ก็จิตใจปลอดโปร่งโล่งในอารมณ์ดีพอสายมาโอ้ยังงงสับสนจักไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็เลยขี้เกียจที่ข้านุ่งสันลำคัญสารพัดทั้งจะไม่เป็นเนี่ยคือเรานั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเราอย่าไปวุ่นวายกับมันจะไปสะทกสะทานมันเกิดมาให้เรารู้ ก็มีสิ่งนี้เลยมันรู้เกิดให้เราเห็นนี่ถึงวเวลาเวลาที่จะแจอารวมตัวเองนี่ก็เข้ามาอยู่กับตัวรู้สึกมาดูกายเคลื่อนไหวมาดูใจรับรู้ไม่นานมันก็จะค่อยหายไปหายไปก็ความปกติมันก็ค่อยมีเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันก็เหให้เราเห็นให้เราเข้าใจเนี่ยให้พยายาม มันปฏิบัติถ้าเรารู้จักต้นตอมันแนวมันจะสมักมันจะเข้าใจง่ายๆมันจะไม่ไม่เครียดไม่อะไรมันจะไม่สบายอกสบายใจแล้วก็เดินก็ไม่่วงเงาเฮานอนมันจะปลอดพปร่งโล่งอยู่อย่างนั้นมันจะทําให้จิตใจของเราเพลิดเพลินในการปฏิบัติเอาละหลวงพ่อพูดมานี่ก็สมควรเจว่าขอยุติจัดเพียงคืนนี้